ต้นวิโยคาวจรทั้งหลายเวลานี้ท่านั้นหลายได้สมาทานศีลสมาทานและกรรมฐานแล้วต่อไปก็สดับปกิน ก, กะคำแนะนำคำว่าปกิน ก, กะหมายถึงว่าเรื่องเล็กเลกน้อยน้อยเพราะว่าหลักฐานใหญ่เราแนะนำกันมาแล้ว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 กองนักปกครองทั้งหมดไม่มีความไม่เคยมีเรื่องจิตพ้องมองใจขขดเคืองกันมาเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ไาจิตดวงนั้นทำเพื่อมาหากุสลนอย่างเดียวแต่บางทีท่านหลายจะถามว่าก็เมื่อทาเพื่อความสุขของคนส่วนรวมแล้วทำไมจึงเรียกว่าเป็นบาท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 ทำผิดกฎหมายอย่างไรแรงพระราชวิพนธก็สั่งประหารชีวิตแม้ว่าเตมีนั่งอยู่บนตักพระราชวิพนธและลูกชาติได้ว่าสมัยก่อนนี้เราก็เป็นพระราช า, าอย่างพอ่เอเคยสั่งประหารชีวิตคนมาแล้วเมื่อตายจากความเป็นคนก็ต้องไปเกิดในนรกสิ้นกาลนาน ต่อไปเราไม่ต้องการจะเป็นพระราชาก็เกรงว่าจะต้องสั่งราหารชีวิตอีกไม่เอาอันว่าถึงเมต่ากิจที่เราจะพึงทาที่เป็นกุศลหวังประโยชน์ของคนส่วนมากให้มีความสุขแต่แต่ว่าเขาเหล่านั้นก็จําจะต้องมีความทุกข์เพราะกรรมที่เป็นอกุศล นี่เรามานั่งดูกันว่าท่านทางสามพร้อมไม่ได้บริวารหนึ่งพันต้องทำกรรมทั้งสองอย่างร่วมกันคือกรรมที่เป็ น, นกุศลและอกุศลทำไมท่านทั้งหลายเหล่านั้นจึงไม่ลงนรกเมื่อตายจากาภาพนั้นแล้วมีความสุขบนสวรรค์ถึงก้าสิบสองกับ การเกิดบนสวรรค์92กลับนะักขอมรนดาพวกท่านอันหลายยวีตกกังวลไปเลยเพรเขาจะมีความลําบากที่อาแค้นเนื้อแท้จริงๆเทวาดามีความสุขต้องการทุขอย่างสำเร็จผลคำว่าทิพเปรวาเล่นเลนทิพนี่เขาเปรวาเลนจะต้องการอะไรมันต้องการได้แบบเล่นเลน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 ร่างกายเล่นเล่นของเทวดาเพราะว่าเทวดาไม่รู้จักแก่เทวดาไม่รู้จักป่วยเทวดาไม่รู้จักทุกเวทนาใดใดทั้งหมดเพราะมันเป็นร่างกายเล่นเล่นไม่ใช่ร่างกายจริงๆรไอ้ร่างกายจริงๆในความจริงเขาเล่นจริงๆของเขานะเ้าบันทิกมันก็เหมือนร่างกายเล่นเล่นเหมือนตั้นทุกตาเล่นเล่น ร่างกายเทวดาก็เหมือนกับร่างกายทุ๊กตาทุ๊กตาไม่เคยร้อนไม่เคยหนาวไม่เคยหิวไม่เคยกระหายไม่เคยพอมไม่เคยอ้วนไม่เคยแก่ไม่เคยเด็กกว่านั้นเท่าไหร่ปั้นไวเท่าไรก็มีสภาพเท่านั้นแต่ว่าทุ๊กตายังมีเก่ายังมีพังร่างกายของเทวดาไม่มีการสูดสมไม่มีความลําบาก เมื่อเวลาที่เทวดาต้องการปรารถนาอะไรเทวดาก็ได้แบบเล่นๆพ้นลึกขึ้นมามันก็ปรากฏไม่มีอะไรหนะักเป็นอนว่าท่านทัน้งหลายทั้งหมดหนึ่งพันกับสามท่านที่ไปเสวยที่ประสมบัติเป็นเทวดาทั้ง92ก้าดิบสองกับยาคิดว่าท่านลำบากมีความสุขที่สุด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 ว่าท่านตายจากชาตินั้นแล้วก็มาเกิดเป็นเทวดามาได้ยังไงทาไมจึงไม่โงนรกิจวเตมีว่าตอนนี้ท่านอะไรอย่าลืมว่าท่านทั้งพันสามร้อยองนั้นท่านปรารถนาความเป็นพระอรหรันต์เพราะเห็นพี่เป็นพระพุทธเจา้าคือเป็นอรหันต์องค์สาคัญ มีพี่ต่อมาพี่ต่อมาก็เป็นอาราหันต์มีความสุขก็ก็คิดว่าชาตินี้เราไม่มีโอกาสยสละสมบัติมาโบสถอย่างพระเจ้าพี่ทั้งสามเราจะเอาส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อความเป็นอาราหันต์ต่อไปภายหน้าจึงเนสละตนออกจากกรรมคุณโชคข่าวสามเดือนในัร ไม่ได้มีโอกาสบวชมากเลยในโอกาสทำบุญกันสามเดือนทุกท่านรักษาสินสิบก็คือบวชในนิเองถ้าไที่บวชในก็ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระเจ้าพี่ทรงสั่งสอนและนเวลาเดียวกัน <c oughs> ในเวลาเดียวกันท่านก็จะไหวทานเร็วสมบัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมบริสทธิ์สงฆ์แล้วก็ให้ทานแก่คนที่โปรดเป็นบริวารของท่านและคนในวิหารทั้งหมดซึ่งเวลาสามเดือนเมื่อท่านมีเจตนาในการให้ทานมีเจตนารักษาสิ้นความบริสุทธิ์ <c oughs> <c oughs> ที่เวลาสามเดือนท่านก็คต้องพ้นจากกิจนั้นมาบริหารประเทศแต่ว่าน้ำใจของท่านตีบรรดาท่านทั้งหลายน้ำใจของท่านาดังสามแล้วทั้งพันสามท่านนั่นแหละไม่ได้ปล่อยอารมณ์แห่งความดีให้ทิ้งไปเมรัสาสินสิทธในฐานะที่ตัวอยู่กับองค์สมเด็จพระจอมไตรชนได้คือบทนีร จึกออกมาแล้วจิตก็ยังผูกพันในพระธรรมวินยัยแล้วด้วยอำนาจผลทานที่ท่านให้เป็นปัจจัยท่านน้หมดนี้ไม่จิตเป็นอนุสติอนุส ต, ติคือการตามถึงอยู่เสมอนึกถึงสิลที่ตนรักษา นึกถึงทางการให้นึกถึงธรรมะที่องค์สมเด็จพระจอมไตรเบริมศาสดาทรงสั่งสอนนึกถึงศีลที่เรียกว่าศีลานุสติกรรมฐานนึกถึงทานเรียกว่าฌานุสติกมัฏฐานนึกถึงธรรมคำสั่งสอนเรียกว่าธรรมานุสติกรรมฐานนึกถึงองค์สมเด็จพระพิชิตมานเรียกว่าพุทธานุสติกรรมฐาน นึกถึงพระอริยสงฆ์ท่านหลายเรียกว่าสังคานุสติกรรมฐ า, านได้เจนนาเทตนาของเขาทั้งสามท่านก็คิดว่าถ้าชาตินี้ไม่มีโอกาสต่อไปชาติหน้าจะเพงมีเพียงใดขพความสำเร็จอาณากผลจง ม, มีแก่เราอย่างนี้จัดว่าเป็นอดิฐานละบรมี <c oughs> เป็นการตั้งใจมัน่น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 บทดจเทั้งเป็นคณาจารย์ใหญ่ในที่สุดทั้งสามท่านและพร้อม้วิบริวารฟังอาทิตบรปิยาญาสุจบเดียวก็สำเร็จอร h a t ต a p ที่คพณธรนทำนำเรื่องนี้มาแทนที่พี่บอกว่านั่งหลับตาพรรวนาว่าพุทโธธรรมโมสังโฆผมไม่กล่าวอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นบรรยกะแนะนำกันเล็กๆน้อย เมื่อท่านนังหลายได้รักสันับแล้วก็มาทบทวนถึงกำลังใจของท่านนังหลายว่าท่านนังหลายที่ปฏิบัติตนอยู่ในเวลานี้เนะี่ยท่านมีจริยาอย่างใดคล้ายคลึงท่านฉดินทั้งสามมรือเปล่าคือคล้ายคลึงในสมัยที่เป็นอดีตของท่าน ท่านเชลินาสามนั่นท่านเป็นคนมีความกตัญญูรู้คุณตบิดามารดาและท่านผู้มีพระคุณแล้ขอท่านหลายก็มานั่งวัดอารมณ์ของท่าน <c oughs> ว่าท่านเองในเวลานี้ก็ดีหน้าดีที่ผ่านมาก็ดี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 ถ้าหาว่าเคยอกตัญญูมาเวลานั้นเวลานี้กำลังใจของเราถอนได้แล้วหรือยังถอนจากความเป็นคนอกตัญญูมาเป็นคนกตัญญูรู้คุณบคุคคลผู้ส่งความดีที่มีคุณกับเราน่าววากำลังใจ <c oughs> และคนที่มีความดีในด้านความกตัญญูรู้คุณนี้และสนองตอบท่านด้วยความดีเสมอกาน สมเดจพระวิจิตามารทรงตรัสว่าเป็นคนดีในกติของพระองค์ตามพมบาลีว่านิมิตต่างสาธุปานังกตัญญูกัตเวดีตาบุคคลใดมีความกตัญญูรู้คุณบุคคลผู้มีคุณแล้วตอบสนองอุปการะความดีของท่านด้วยความดีตอบ อ้งกล่าวว่าคนประเภทนี้เราถือว่าเป็นคนดีนี่จุดหนึ่งที่ท่านเจดินยาสาทั้งสามจะมีโอกาสเป็นพระลหันในชาติต่อมาและเป็นเทวดานานมีความสุขรายการที่สองท่านทัสามนั้นตั้งใจถวายทานแดบรรดาพิสุสงในพระพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้าเป็นประมุก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 ถาว่าร่างกายของพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็พอออกจากคันมารดาก็เป็นพระพุทธเจ้าเลยไม่ต้องสแสวงหาโมกะธรรมแต่ได้ว่าท่านนั้นหลายเหล่านั้นไม่จะเป็นอย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้าความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้ น, วว น, น, นต้องสแสวงหาโมกะธรรมก่อนทำจิตใจตาจิเลตให้เป็นสมุทเฉดตะวันหาันจริงเป็นพระพุทธเจ้าได้ และเมื่อเวลาพระพุทธเจ้าจะนิพพานพระอนุ์มีความหนักใจว่าเวลานี้องค์สมเด็จพระจอมไตรจะทรงดับขันเข้าสู่ธาบริณิพานเรายังเป็นเสขาบุคคลก็ลยังต้องศึกษาต่อไปได้เพียงแค่ปโสดามันเมื่อพระพุทธเจ้านิพพานเส็แล้วจะมีใครที่ไหนจะสอนเราให้ได้อาราตผล พระองส์สำเร็จพระทศพลทรงทราบจึงได้เรียกมาแล้วตั่ว่านันทะดูก่อนอนอนท์เมื่อเรานิพนานเป็นแล้วพระธรรมวินัยที่เราสอนไว้นี่แหละจะเป็นศาสนาสอนเถิดเป็นอว่าพระธรรมวินัยที่พระองค์ทรงดัดไว้จะเป็นครูศาสนาครูธรรมะครูคือเป็นพระองค์เอง เน้่เ้นเมื่อรูปกายของพระองค์หมดไปก็เหลือจะทำกายได้แก่กรรมกูฮะกุมธรรมทมกายกรรมกายเพื่อพวกคือพวกพระธรรมพระวินัยเป็นว่าถ้าท่านนนั้หลายคิดว่าเวลานี้ท่านไม่พบพระพุทธเจ้านี่ยไม่จริงหาว่าท่านเป็นนักพุทธานุสติกามฐาน เคารพในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระพ毗ชิตามาณคนที่มีพุทธานุสติจะมาฐานเนี่ยหมายความนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์นึกถึงก็ต้องเคารพภายในพระองค์เลยการเคารพนี่เคารพในพระธรรมคำสั่งสอนคือปฏิบัติตามสิ่งที่พระองค์ทรงอนุมัติให้ปฏิบตัติแนะนําให้ปฏิบัติละในสิ่งที่องค์ทรงให้ละ อย่างนี้ก็ชื่อว่าท่านหลายได้พบพระพุทธเจ้าแล้วเป็นั้นว่าถ้าว่าจะทําทานอย่างนั้นบ้างเวลานี้พระพุทธเจ้าไม่มีไม่จริงเป็นั้นว่าพระพุทธเจ้ายังมีมีตามพระพุทธกติกาที่พระองทรจัดว่าถ้าทำมวินัยนี่แหละจะเป็นศาสนาสอนเธอพระพุทธเจ้าในบาลีเรียกว่าศรัทธาคือศาสดาแปลว่าครู มีคําสอนทั้งหมดถ้าเรายังมีความเคารพก่อว่าเราเข้าถึงพระพุทธเจา้าเช่นเดียวกับท่านทั้ดินทั้งสามเนื้อต่อมาท่านดินทั้งสามได้เสียสละทรัพย์บริจาคทรัพย์ถวายทานแด่พระพุทธเจา้าและพระเรียสง์ตลอดจนท่านบริวารของตนที่ยังอยู่ในบในขอบเขตในสีหมา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 เรามีทรัพย์น้อยท่านทำเต็มกำลังของท่านเราก็ทำเต็มกำลังของเราถ้าบุญน้อยและบุญมากก็อยู่ที่กำลังใจต่างคนต่างทำเต็มกำลังกันอย่างนี้ก็ชื่อว่าเราก็เป็นผู้มีใานเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้ทางวัดของเราตั้งเป็นศูนย์สงเคราะห์คนยากจนในกินธุระธันดาน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 แต่ว่าเราให้โดยเจตนาบริสุทธิ์ไ้เป็นยังไงคล้ายคลึงกับทานของท่านะดินอย่างไรงง ม, ไมั้ยแล้วนอกจากนั้นเราก็ยังให้ทานเป็นส่วนสธาธารณประโยชน์ที่เรียกว่าเป็นธรรมทานใครจะมาวัดเราใครจะมาถึงเมื่อไรก็ตามเราก็ให้ความสนกุก้ดยประการทั้งปวงต่างคนต่างให้กัน ต่างคนต่างช่วยเหลือกันอย่างนี้เป็นธรรมทานก็เป็นทานที่เต็มกำลังของเราเรื่องงานส่วนใดสม่มกิจของสงเป็นส่วนสาธารณประโยชน์พวกเราไม่เคยรังเกียจทำกันทุกอย่างสายตัวเป็นเกลียวเจ่นเหนื่อยยากไม่มีเคยปีตากบน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 เราทำด้จิตตั้งใจบริสุทธิ์เขาปรารถนาจะบุคคลผู้รับเขามีความสุขอันนี้เราก็ทำกันแล้วหันมาในด้านเนคมะบรมีที่บรรดาท่านชดินด์ทั้งสามเข้าไปปฏิบัติในเขตพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามเดือนตอนนี้ต้องคิดหน่อยนะ ว่าตัวท่านอยู่ในเขตแห่งเนค ข, ขมะบ ร, รมีนจัยอยู่หรือเปล่ามิจะห า, าผมด่าท่านไม่เชิดด่าอาท่านมาโจทยั ต, ตาหนังจุตเตือนตนได้ตนเองหมุนมหากำลังใจของเรา่าเขตแห่งเนค ข, ขมะบ ร, รมีนี่เขาละความรักในระหว่างเพศละความโลภโมโทสันในการที่ได้ทรัพย์สินมาเพื่อความ ร, ำร่ำรวย ล ะ, ล, ละความโกรธความเจ็บาดละความหลงที่เรียกกันว่าพิขกและพิสุก็แปลว่าเป็นผู้เห็นภัยในสงสารร่างกายเนี่ยจัดว่ามันเป็นภัยใหญ่เราไม่ต้องการในมันสิ้นเชื้อสิ้นชาติเธอเราไม่ได้อรหันในชาตินี้ก็ขอชาติหน้าโดยเฉพาะ เกิดอีกทีให้ได้เป็นพระอรหันต์เข้าสู่ครนิพานจิตใจตั้งอย่างนี้นั้นเป็นองค์ปรอธิฐานบารมีเข้ามาอีกเข้ามาแทรกกันกรรมอย่างนี้ที่ทันดินเท่าสามทำนะเราทํากันครบพุ่นแล้วหรือยังนี่ผมขอทวนถ้าจิตใจของท่านหลายยังมีก็มีกําลังใจประจำอยู่เสมอว่าจิตพร้อมในการให้ทาน คิดไว้เสมอความจริงทานผู้ท่านทำกันแต่งานวัดทำงานวางงานสาธารณประโยชน์ผู้ยทำวิปาถสนนับไม่ถวนท่านก็จริงๆแล้วก็ทำก็อย่างไม่ให้ความเหนื่อยยากไม่ได้ไม่ต้องการสินจ้งางแรงงันไม่ต้องการอะไรทั้งหมดรักษาทรัพย์สินของพื่ศาสนานี่กำลังใจถ้าทรงอยู่อย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ทรงจิตคือทรงฌาเ น, เนเน้นเนก ญาคานุสติกรรมัฐานญาคานุสติกรรมัฐานนี่ไม่นั่งไม่ใช่ไปนั่งภาวนาจะคลั่งจะคลั่งจะคลั่งจะคลั่อย่างนี้ไม่เป็นเรื่องถ้าใจมันนึกอยู่เป็นปกติอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นชานในญาคานุสติกรมมฐานแล้วก็ถ้าเรามีความเมตตาปราณีแก่บุคคลทั้งหลายที่เข้ามาในที่ของเราให้สถานที่พักจัดให้ความสะดวกในจิตบริสุทธิ์ อย่างนี้เป็นเมตตาบารมีเป็นเยอะถ้าพยายามระงับใจตัดจัดอารมณ์ชัว่วคือกรมคุณหาตัดมีวรห้าบรการมีกรมฉันทะพยาบาททุพเจะกินวิทธาแล้วก็วิจิกิจชารวมความจิตตัดความโลกตัด ความรักตัดความโกรธตัดความหลงด้วยความจริงใจตัดหมดหรือไม่หมดช่างตั้งใจตัดอย่างนี้ชีวิตจิตของท่านตั้งอยู่ในในธรรมาบรมีทรงศีนุบริสุทธ์เป็นศีลานุสติกะวัฐานนึกถึงสีนี้เป็นโบติไม่บกพร่องชื่อว่าพึ่งพู้มีฌานในศีลานุสติกะวัฐานรวมความกรวัฐานทุกอย่างที่ผมว่าว่ามาเนี่ยเป็นอนุสติ คือเมื่อเป็นอารมณ์กรรมฐ า, านที่ตามนึกถึงไม่ใช่เป็นนั่งภาวนานั่งภาวนาเนียไม่เก่งจริงมันต้องอารมณ์ ล, ลอยๆแล้วก็ได้ดีจิตทรงตัวเมื่อท่านหลายทําได้หมดอย่างนี้ผมชื่อเห็นว่าตัวอย่างของเรามีอยู่แล้วคือท่านเจดิย์ทั้งสามแล้วบริบาลหนึ่งพันท่านทํามากันอย่างนั้นถ้าว่าสนามบารมีของเราไม่เคย ไม่มีโอกาสจะได้อรหันในชาตินี้เราก็ไปเที่ยวนในเมือเทวดาให้มันสบายกี่แสงกับก็ชันลงมาเมื่อไรไปรหันมานั น, นยา ง, นนงาท่านเป็นที่องสามอรบรรดาท่านงหลายการแนะนำวันนี้รู้สึกว่าแนะนำเบาๆแต่มันไม่เบานะผลแนะนำรู้สึกว่าเป็นเรื่องเบาๆ ปดนเรื่องนึกนึกคิดคิดจิตคำนึงถึงแต่ว่าผลไม่เบาได้เปอาหันได้อย่างท่านจะดีนางสามเราสำหรับเวลานี้มองดูเวลาก็หมดเวลาเสียแล้วขอบรรดาพยโยคาวาจรทั้งหลายใช้อารมณ์ใจตามความประสงค์ของท่านอย่าจะทรงสมาธิให้สงักก็จับอนาปารุสติกรมฐานเป็นต้นทาง ให้ยาจะไข้ควแนวรู้สติต่างๆก็ให้เป็นไปตามความประสงค์ของท่านจึงกว่าเห็นว่าเวลานั้นสงควรสงควรมาไรก็เลยว่นานันสวัสดี